ได้เข้ากราบถวายตัวเป็นสิทธิ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาโกศลเถระรองเจ้าวาดและพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระวัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งหลวงพ่อพระภาวนาโกศลเถระองค์นี้ท่านเป็นสัตธิวิหาริกและอันเตวาศิกในพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำโดยตรงหมายความว่า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 ความเจริญเติบโตของทางวัดส่วนใหญ่จึงเป็นผลงานด้านการอบรมธรรมะปฏิบัติที่เพิ่มมากขึ้นและการศึกษาภาคปริยัตและปฏิบัติของพระพิสุทธิ์สงสามเณรที่เพิ่มขึ้นหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยจึงได้จัดตั้งทุนพัตตาหารคิลานเพษัตและทุนการศึกษาของพระเพื่อสามารถจะนาดอกผลของกองทุนนี้มาเป็นค่าใช้จ่ายในด้านพัฒนา